มีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมรรมนามามีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างไหมในขั้นล้มลุกคลา น, นอยูอ่ท่านอาจารย์าาสอนเบสิคได้ดีแล้วเหลือแต่ลูกต้องพยายามปฏิบัติ่อไป เอาความสงบให้ได้ก่อนเอาสติให้ได้ก่อนเรงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ลอยไปอดีตอนาคตจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเด็กเด็กที่ยังเดินไม่เป็นวิ่งไม่เป็นก็ต้องหัดคลานไปก่อนหัดคลานหัดยืนก่อนที่จะเดินที่จะวิ่งได้ต้องร้อมลุ ก, กคลานไปก่อน ต้องหัดยืนให้ได้ก่อนหัดคลานให้ได้ก่อนเราถึงจะเดินได้ถึงจะวิ่งได้จิตตอนต้นถ้าไม่มีสติมันก็เหลวไหลมันก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆไหลไปตามความคิดปรุงแต่งแล้วมันก็ ตั้งตั้งตัวเองไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้ถ้าใจไม่สงบมันจะไม่เห็นธรรมเห็นกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจก็จะไปเห็นธรรมเห็นกิเลสข้างนอกเห็นกิเลสของคนอื่นเห็นธรรมของคนอื่นแต่ธรรมของตัวเองกิเลสของตัวเอง ม, มักจะมองไม่เห็น พยายามจะไปแก้กิเลส ข, ของคนอื่นกิเลส ข, ของตัวเองไม่แก้ไม่ฆ่าชอบไปฆ่ากิเลส ข, ของคนอื่นกิเลส ข, ของตัวเองไม่ฆ่าเพราะความหลงมันมันเหมือนกล้องเนี่ยกล้องกล้องอันนี้ถ้าถ่ายตรงด้านกล้องด้านหน้านี่มันจะถ่ายกลับกันเลยซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายกลับตาเราไป เหมืนกระจกที่เรามองกระจกที่เรามองเวลาเรามองเข้าไปเราคิดว่าด้านซ้ายจะเป็นด้านเราคิดว่าด้านซ้ายเป็นด้านซ้ายแต่ความจริงมันเป็นด้านขวาของเราแต่ถ้าทำใจให้สงบนะ้วมันจะเห็นกิเลสในใจเราเห็นธรรมในใจเราเวลากิเลสขึ้นในใจจะร้อนใจจะกระเพื่อมเวลา ทำโผขึ้นมาหยุดกิเลสได้ใจสงบเย็ยนสบายมีความสุขต่อไปมันจะไม่ไปคิดไปฆ่ากิเลสของคนอื่นฆ่ากิเลสของเราดีกว่าตอนนี้ชอบไปฆ่ากิเลสของคนอื่นกันใช่ไหมเห็นใครเขาโรคหน่อยโอด่าเขาใหญ่เห็ในใครเขาโกงหน่อยก็ว่าเขาในเวลาตัวเองโรบตัวเองโกงนี่มองไม่เห็นอ เห็นกับตาลปัตดเนี่ยก็เลยไม่เคยแก้ปัญหาของตัวเองมอแต่จะไปแก้ปัญหาของคนอื่นแก้ปัญญาตายก็ไม่มีวันจบพระพุทธเจ้าบอกว่าชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็สู้ชนะตัวเราไม่ได้ไปเอาชนะคนอื่นก็คือ ไปจับผิดเขาไปลงโทษเขาสู้มาจับผิดเรามาลงโทษเราดีกว่าจับผิดเราลงโทษเราพอเราทำลายตัวที่มาทำให้เราผิดได้ใจก็เย็นสบายสงบน่าจะไม่คิดจะไปจับผิดใครไปลงโทษใครป่อยให้เป็นกฎแห่งกรรมไป ใจเขาถูกเขาลงเทษ ด, ด้วยตัวเขาเองแล้วเวลาเขาผิดใจเขาก็ร้อนขึ้นมาใจเขาก็ทุกข์ขึ้นมาเราไม่ต้องไปลงโทษเขาเรามาลงโทษตัวเราดีกว่ามาฆ่ากิเลสในตัวเราดีกว่าอย่าไปฆ่ากิเลสของคนอื่นนะฆ่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ใจเราก็ไม่สงบไ ฆ่ากิเลสในใจเราได้แล้วใจสงบใจยังมีความสุขใจจะสบายจะฆ่ากิเลสได้ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็มองไม่เห็นตัวกิเลสถ้ามีสติใจก็จะย้อนกลับมาดูที่ตัวเองไม่ไปดูข้างนอกเวลาเราจะริยนสติน้มเหมือนกับเราดึงใจให้กลับเข้าข้างใน ใจมันชอบออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสชอบออกไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีแม้แต่ในปัจจุบันก็ดีปัจจุบันก็ต้องดึงให้มันอยู่ข้างในอย่าปล่อยให้มันดึงออกไปข้างนอกหลวงปู่นุนั่นบอกว่าจิตออกนอกเป็นสมุทยัยสมุทยัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ ใจเข้าข้างในเป็นมรรคเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นมรรคขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความสุขเป็นความสบายใจขึ้นมาเนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่แค่ดึงใจให้เข้าข้างในดึงใจให้อยู่ในปัจจุบัน อย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตก่อนพออยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดึงเข้าข้างในต่อทำอะไรก็ให้อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่เราทำอยู่เรี่ยเราก็อยู่ปัจจุบันเดินก็ให้อยู่กับการเดินนั่งก็ให้อยู่กับการนั่งเดินก็ให้อยู่กับการเดินนอนก็ให้อยู่กับการนอนทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นๆอาบน้า แปรงวันล้างหน้าหวีภ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารดึงมันไว้ให้มันอยู่กับงานเหล่านี้มันจะได้อยู่ในปัจจุบันมันจะได้ไม่คิดบุงแต่งแล้วมันจะว่างจะเย็นจะสบายอารมณ์ต่างๆมันจะสงบตัวลงไปแต่ยังไม่สงบเต็มที่ ถ้อยางให้สงบเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆหลับตาหลับตาแล้วทีนี้ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปคิดเรื่องอะไรให้อยู่กับลมไปลมเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสัน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหมดไปก็รู้ว่าหมดไป ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นดูเฉยๆเหมือนดูทีวีไม่ต้องไปกดรีโมทไม่ต้องไปไปเปลี่ยนช่องไม่ต้องไปทำอะไรยนรีโมททิ้งไปแล้วนั่งดูเฉยๆอย่าไปกดรีโมทชอบกดเลยพอเจออะไรไม่ชอบก็กดไปเลยกดไปเลยอย่าไปกดให้นั่งดูเฉยๆดูจนกระทัง่งสถานีมันปิดไปเลย จิตําังงานเวลานั่งทาใจสงบก็ดูลมไปอย่าไปบังคับลมให้ดูตรงจุดไหนจุดหนึ่งที่ที่ถนัดที่ชอบที่ปลายจมูกก็ได้ที่กลาง อ, อกก็ได้เวลาลมเข้าถ้าอยู่ที่ปลายจมูกก็จะรู้ว่ามีลมผ่านตรงปลายจมูกเข้าไปเวลาออกมาก็จะรู้ว่ามีลมผ่านทางปลายจมูกออกมา ก็อยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกถ้าใช้หน้า อ, อกกลางหน้า อ, อกหน้าท้องก็รู้ว่ามันพองหรือมันยุบเนี่ยเวลามันเข้าไปมันก็พองเวลาออกมามันก็ยุบจะว่ายุบหนอพองเนอก็ได้ไม่ต้องว่าก็ได้อย่าไปว่าเลยดูเฉยๆดีกว่าว่ามันยังกุงแต่งอยู่ดูเฉยๆ ไม่ต้องพูดเข้าไม่ต้องโทรออกดูอย่างเดียวดูเฉยๆถ้าดูได้แต่ถ้าอยากจะพูดเข้าโทรออกเพราะว่ามันไปมันไม่ยอมอยู่กับนมมันไม่ยอมดูก็ดึดงมันให้ใช้พุทโทรช่วยก็ได้ใช้ยุบหนอปองหนอช่วยก็ได้แต่ถ้าไม่ต้องใช้มันได้ก็ยิ่งดีเดูเฉยๆให้สัรบรแต่รู้ไปจนกระทั่งจิตมัน ลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปถ้าเราไม่ไปตื่นเต้นตกใจไม่ไปปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็วุบลงไปเดี๋ยวมันก็สงบแล้วก็เบาสบายเหมือนยกภูเขาออกจากออกเย็นเหมือนเข้าไปในห้องปรับอากาศเป็นความสุขที่มหัศจรรย์มันก็มีสงบได้หลายแบบแบบแบบพวดพาตกลุมตกเบา บางทีก็สงบเป็นขั้นๆเป็นเป็นขั้นบันไดสงบทีละนิดที่แล้นิดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไปเหมือนกับเปลี่ยนเกียรย์รถยนต์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเกียร์สองเปลี่ยนเกียร์สามเปลี่ยนเกียร์สี่ <c oughs> มันมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่ต้องไปอไปจัดการอย่างมันไปบังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของจิตอืม ที่มันไม่แน่นอนบางวาระมันก็พูดพลาดลงไปเลยบางทีมันก็ลงไปทีเด็กึกทีเดกึกยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจเวลามันลงแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันสักแต่วารู้ต่อไปถ้ารู้ว่ามันนิ่งมันสงบมันวุบลงไปก็รู้ว่ามันนิ่งไม่ต้องทำอะไรรู้เฉยๆไปจนกว่ามันจะถอนออกมา ตอนเข้าไปมันอาจจะไม่รับรู้เรื่องร่างกายก็ได้ไม่รู้รับรับรู้เรื่องความเจ็บเวทนาของร่างกายก็ได้ไม่รับรู้รวกเสียงกลิ่นรส <c oughs> รับรู้ก็ไม่มีอารมณ์กับมันเฉยๆเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่สนใจอยู่กับความนิ่งกับความสงบไปพยายามให้มันนิ่งนา น, น, าน พยายามประคับประคองด้วยสติคือสักแต่ก็รู้ไปทําบ่อยๆทํำมากๆออกมาก็เข้าไปใหม่ถ้าเข้าได้ถ้าเข้าไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินมาเจริญสติต่อมาดึงใจให้อยู่ปัจจุบันต่ออยู่กับการเดินแต่ต้องทําอะไรยุ่ง ก, ก็อยู่กับการกระทาไปแล้วพอ ได้เวลาก็กลับไปนั่งใหม่อาจจะสลับกันเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงโดยจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความพอใจออกมาแล้วถ้าเดินติดใจจะเดินสักสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็เดินไปก็ได้หรือเดินสักชั่วโมงแล้วอยากจะกลับไปนั่งก็กลับไปนั่งก็ได้นั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งไปอย่าไปกําหนดเวลา ให้กำหนดตามตามกำลังของใจตามกำลังของสติสมัยพุทธกาลเขาไม่มีนาฬิกาเนยเขาจะไปกำหนดเวลาได้ไงเขาก็ปฏิบัติไปตามตามกำลังของใจตามกำลังของธรรมของสติของปัญญาเป้าหมายก็คือให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้เหมือนกับ ตายจากโลกนี้ไปคนอยู่เขาจะอยู่กันยังไงก็เรื่องของเขาใครจะเป็นใครจะตายใครจะรวยใครจะจนก็เรื่องของเขาเราไม่ไปสนใจเพราะยังไงก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เขาจะรวยเขาก็รวยเขาจะจนเขาก็จะจนเขาจะเป็นเขาจะตายเขาก็เป็นเขาตายของเขาไปต่อให้เราอยู่ ติดกับเขาผูกตัวไว้ติดกับเขาก็ไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุการณ์เหตุปัจจัยต่างๆถ้าเราไปผูกตัวเราไว้กับคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะทุกข์กันเพราะเราไม่ได้ผูกเฉยๆผูกแล้วก็อยากอยากให้ดีอยากให้อยู่ไปนานๆ อยากให้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ผูกกับมันไว้ถ้าเข้าสมาธิเรามันมันไม่ได้ผูกกันมันแยกออกจากกันเวลานั้นร่างกายเป็นอะไรเจ็ตไม่สไม่สนใจเป็นงานก็เรื่องของมันออกมาก็ต้องหัดทาใจให้เป็นเหมือนขณะอยู่ในสมาธิในสมาธิเวลา ติดปล่อยไม้มันสบายไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ อ, อกจากสมาธิมาก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาดึงไว้ถ้ามันจะไปยุ่งกับเรื่องราวต่างๆอาจจะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งกับร่างกายของเราก็ต้องปล่อยดึงมันกลับมาดึงกลับมาให้สักแต่ว่ารู้ไปเหมือนขณะตอนที่อยู่ในสมาธิไป ถ้าหนึ่งด้วยสติไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ทำยังไงก็เปลี่ยนมันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเกิดแล้วมันก็ต้องดับเจริญแ้มันก็ต้องเสื่อมจะเอาไว้เป็นของเราไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันไปถึงเวลามันจะเป็นของคนอื่นก็ต้องเป็นของคนอื่นไปเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการความว่าง เราต้องการอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเราต้องการอยู่แบบไม่ผูกพันกับใครเพราะผูกพันแล้วมันทุกข์เพราะผูกพันแล้วก็เกิดความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ไปกับเขาแล้วเราได้อะไรจากการไปทุกข์กับเขามันก็ไม่ได้อะไรเขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา เนี่ยคือหลักของการปฏิบัตินีแค่นี้แหละแต่เวลาที่จะต้องใช้มันเนี่ยมันเป็นปีเป็นสิบปีบางคนกว่าที่จะสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างได้มันชอบมันมันติดเป็นนิสัยมาพอมีอะไรเปี่ยวข้องกับอะไรนี่มันผูกพันแล้ยึดถือและยึดติดแล้วไอ้แม่ลูกนี่เราไม่เคยรู้จักจกันมันมาก่อนเลย อ๋อมันเป็นลูกเรานี่โอ้รักมันนะสิห่วงมันนะห่วงมันนะก่อนที่มันมาเกิดในท้องเราไม่เห็นไปสนใจมันเลยมันจะเป็นจะตายเห็นเป็นอลายพอมันมาเกี่ยวข้องกับเราเข้ามาในทางท้องเรานี่ถ้ามันมาทางประตูบ้านเราก็ไม่รักมันใช่ไหมถ้าลูกมันขอเข้าทางประตูบ้านแทนที่จะเข้าทางท้องเราเราก็ไม่เรียกว่าเป็นลูกเราใช่ไหม ถ้าเกิดใครเขาเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านเราเนี่ยเราจะเก็บไว้เลี้ยงว่าบ้าจะเลี้ยงก็เป็นลูกเราหรเปล่ า, าแต่ถ้ามันมาทางท้องเรานี่โอต้องเก็บเอาไว้แล้วต้องห่วงนะมันก็เด็กเหมือนกันแหละมันก็มาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันดวงวิญญาณของเด็กนั้นไม่ว่าจะมาทางประตูบ้านหรือทางในท้องเรามันมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้มันอดีตมันจะเป็นเพื่อนเราหรือเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่รู้ แต่ถ้ามาทางท้องเรานี่ต้องเอาไว้ก่อนนะเป็นของกูแล้วของเรานละต้องหวงนะแต่ถ้ามันมาทางประตูบ้านมีคนก้ามาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านนี่จะเอาไหยอา้าวมันก็เป็นเด็กเหมือนกันเน่ะเด็กคลอดใหม่แล้วเขามามาให้เราเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็เลยเห็นว่าเราเป็นเศรษฐีใจบุญก็เลยมาวางวางไว้ที่หน้าประตูบ้านแล้วก็โทรสัพ์บอกช่วยเปิดประตูหน่อย พอาเองเด็กก็โอ๊ยตายแล้วแต่ถ้าเอามาทางท้องเนี่ยว่าดีใจในลูกทรมานเจ็บปวดขนาดนั้นก็ยังดีใจแต่ถ้าได้มาแบบสบายๆกับไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่ของเรานี่แหละ แล้ดีไม่ดีไอ้ลูกของเรามันกลับเลวกว่าลูกคุณทราเนลูกคุณทรรมกลับเป็นคนดี <c oughs> เออเขาเป็นจิตใจที่ดีเขามีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาคา ร, ะระวะไอ้กลับลูกเรามันกลับเนรคุณ <c oughs> กลับด่าพ่อรอำนะก็ <c oughs> ยังไปรักมันยังไปขวงมันอยู่นี่แหละอวิชชานะความหลง เราคิดว่าอะไรเป็นของเราแล้วแม้มันรักมันหวงมันห่วงไปหมดแต่ถ้าอะไรไม่ใช่เป็นของเรานี้ไม่ค่อยรักไม่ค่อยหวงไม่ค่อยห่วงนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่แหละไม่ได้ทุกข์กับอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเราไม่ทุกข์กับเขาหรอกพอเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเราก็ทุกข์ ทุกขณะที่อยู่ทุกขณะที่ไปจากกันก็ทุกอยู่ด้วยกันก็ทุกอยู่ด้วยกันก็ทุกแบบหนึ่งจากกันก็ทุกอีกแบบหนึ่ง้็ไปไปอยู่ด้วยกันทำไมอยู่คนเดียวสบายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทุกข์กับอะไรแต่กิเลสมันไม่มยอมกิเลมันชอบไปยุ่งชอบไปมีนั่นมีนี่อยากได้น่นอยากได้นี่เราคิดว่าได้แล้วจะเป็นความสุข ไม่ใครคิดว่าเป็นทุกข์เลยฮนะถ้าทุกข์ก็คงไม่อยากได้แล้วถ้ารู้ว่าได้มาแล้วต้องทุกขนะ์เนี่ยอยากก็ได้นะแล้วก็ทุกข์อ่ะไปเห็นอยู่นะเนี่ยเนี่ยแฟนตายไปเงี้ยทุกข์กันเดี๋ยวเจอแฟนใหม่ขึ้นมาอีกก็ <c oughs> <c oughs> ลืมไปเลยลืมความทุกข์เลยพ <c oughs> อเห็นแฟนใหม่นึกถึงความสุขที่ได้อยากจะแฟนใหม่นะั่นน่ะ ความทุกข์ที่ได้จากแฟนเก่านี่ลืมไปเลยแล้วเดี๋ยวก็มาทุกข์แบบเดิมอีกเน่ยมันไม่มีมันมันความหลงนี่มันมันมันฝังลึกในใจเรามันไม่จดไม่จําความทุกข์ที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราไปหลงไปยึดไปติดไปเกี่ยวข้องไปผูกพันนี่มันมันมันมันลืมอ่ะขี้ลืม พอเสียอะไรไปปั๊บเดี๋ยวพอได้ของใหม่มาปั๊บก็เอาเลยผูกพันเหมือนเดิมน่ะนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ทุกขกันก็เพราะว่าไปหลงกันหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีให้ความสุขกับเราก็เลยอยากได้พออยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขน่ะนี่ก็ทุกข์ละเพียงแต่อยากปั๊บยังไม่ทันได้ก็ทุกข์ละ อยากสูบบุหรีนี่ไม่ยังไม่ได้สูบก็ทุกข์ละก็เลยคิดว่าพอได้สูบแล้วก็สุขสุขก็ความอยากมันหยุดความทุกข์มันหายไปแต่มันหายเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็อย่าไปทําตามความอยากอยากจะสูบก็ไม่สูบยอมทุกข์ยอมทนกับทุกข์ไปเดี๋ยวมันหมดกาลังมันก็หายเอง เดี๋ยวความอยากมันหมดกำลังมันก็หายไปแล้วต่อไปมันจะไม่ทุกข์กับความอยากสูบุหรี่ต่อไปเนี่ยจะทำหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาสามตัวเนี้มีสติเพื่อทำให้ใจสงบให้มีพลังให้รู้เฉยๆได้ให้มีความสุขจากความสงบแล้วจะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ แต่ถ้าไม่มีความสุขจากความสงบนี้เพราะเกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่สู้ไม่ไหวต้องไปทําตามความอยากถึงจะหายทุกข์แต่ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เฉยๆได้อยู่เฉยๆได้ความสุขในใจนี่ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยากชนะมันได้แล้วยิ่งถ้ามีปัญญา คอยเตือนว่าอย่าทำนะอย่าอยากนะได้มาแล้วจะทุกข์นะไม่ใช่สุขนะเดี๋ยวมันเสื่อมนะเดี๋ยวมันดับนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปนะยนอย่างนี้นะมันก็จะได้ไม่เอาดีกว่าคนเราเวลาอยากได้อะไรไม่คิดให้มันไปตลอดลอดฝังคิดแต่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองไม่คิดถึงตอนที่มันจบ มันเป็นยังไงเวลาหย่ากันเป็นยังไงเวลาอยู่แล้วความนักหายไปเหลือแต่ความโกรธเกลียดกันเป็นยังไงมันไม่มองดูตลอดดูแต่ตอนต้นตอนหวานๆตอน น, ตอ น, น้ำพึ่งน้าพึ่งประจันหวานพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นพูดกลว่าเป็นเป็ดก็เป็นเป็ด ว่าสิ่งขยะว่าหอมก็หอมเดี๋ยวพอน้ำพึ่งหายไปขมเลยทะเลาะกันแล้วเนี่ยนี่แหละคือความหลงมันหลอกใจถึงต้องใจปัญญามาแก้มัน ถ้ามีปัญญามีสมาธิโอ้ยสู้กับกิเลสได้อย่างสบายกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงนี่จะมาหลอกไม่ได้มันจะมาสร้างความทุกข์ให้ไม่ได้ทุกข์ก็ทุกข์กเดียวเดียวใช้พุโทโธสู้กับมันใช้ความสงบสู้กับมันสัตแต่ว่ารู้สู้กับมันไปใช้ปัญญ า, า่าอย่าลอย่าไปเล่นกับไฟอย่าไปเล่นกับงูพิษเข้าใจไม ของต่าง ๆ, ๆที่ใจเราอยากเนี่ยมันเป็นเหมือนงูพิษเป็นเหมือนไฟอถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็โดนมันกัดโดนไฟลวกทันทีนี่คือปัญญาการให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นโชคกับเนี่ยให้เห็นว่าเหมือนกับเป็นงูพิษเป็นเหมือนไฟไฟฟ้าอย่างเงี้ยไฟฟ้าเนี่ยบางทีจับถ้าจับเป็นมันก็ไม่ชอ็อตเนี่ยถ้าจับไม่เป็ น, นเดี๋ยวมันช็อตตาย เผือได้เนี่ยเขาเรียกหมองูตายเพราะงูกันใช่ยหะจ่างไฟฟ้านี่ตายเพราะอะไรก็ตายเพราะไฟฟ้านี่แหละไฟดูดไฟช็อตเพราะบางทีทําไปนานๆมันชานาญมันประมาทประมาทบางทีเผือลืมไปปิดสวิคคิดว่าปิดแล้วพอไปจับปับ๊บมันก็เด็ดเลยช็อตตายเลยงั้นอย่าไปเล่นกับไฟอย่าไปเล่นกับงูพิษนะ ของต่างๆที่เราไปเล่นด้วยเนี่ยเป็นงูพิษทั้งนั้นแ่ะลาบยศจลเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแฟนสามีภรรยาลูกเจ้าของเงินทองต่างๆอตําแหน่งต่างๆรางวัลต่างๆความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นยามันเป็นงูพิษเป็น เป็นไฟไฟฟ้าหรือไฟที่จะไหม้เผาบ้านเราอย่าไปเล่นกับไฟถ้าพลาดเมื่อไหร่เผลอเมื่อไหร่โดนมันต้องโดนขนาดไม่พลาดก็ต้องโดนถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นแบบมีเกาะคุ้มคุ้มกันมีมาตรการป้องกันต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญา แต่มันไม่เล่นด้วยความอยากมันเล่นด้วยความจำเป็นบางทีมันมีของที่มาเกี่ยวข้องก็จัดการกับมันไปให้ให้มันเป็นประโยชน์ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะไม่ถูกมันกัด น, นี่ก็คือเรื่องของการบำเพ็ญของการปฏิบัติแนวทางของการปฏิบัติมัน มีไม่กี่คำสติีคำหนึ่งคำเดียวนี่แหละใช้เป็นปีกว่าจะได้มันขึ้นมาชอบสติชอบหายไปเรื่อยชอบลอยไปเรื่อยวิ่งตะคุบตามไล่สติสติสติสติมันชอบไปกับความคิดไงคิดถึงอดีตนั้นหวานอยากจะให้มันกลับมาคิดถึงอนาคตที่น่ากลัวก็ไม่อยากจะคิด มันไม่มีสติมันถูกความคิดดึงไปหมดเราถึงต้องใช้พระพุทธเจ้ามาช่วยดึงกลับพุทโธพุทโธไปแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันกลับมาอยู่ที่ร่างกายมาดูร่างกายได้มาดูลมหายใจเข้าออกได้มาทำใจให้เข้าข้างในได้ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ วิธีปฏิบัติรู้แค่นี้แล้วลองเอาไปปฏิบัติให้มันได้ผลก่อนเด็ขั้นปัญญานี่ยังไม่ต้องไปสนใจเลยขั้นนี้หยุดความคิดให้ได้ก่อนทาใจให้สงบให้ได้ก่อนมีปัญญาก็ทำอะไรมันไม่ได้มันไม่กลัวมันไม่มีกำลังถ้าเป็นหนี้ก็มีดยังไม่ได้รับมีดทื่อฟันยังไงก็ไม่เข้า ต้องรับด้วยสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นหินรับปัญญาทําให้ปัญญาแหลมคมเพรนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆมันถึงไม่ค่อยมีอะไรจะต้องบอกมากคนมาปฏิบัติเราถึงไม่ค่อยได้พูดอะไรไม่ได้สอนอะไรที่พูดส่วนใหญ่นี้เป็นการขายมากกว่าขายโฆษณาดึงให้คนหลอกให้คนมาปฏิบัติกัน ต้องหาวิธีหลอกล่อเด้งให้มันมาปฏิบัติกันให้ได้นด้งให้มันมาทำบุญมารักษาศีลกันให้ได้แต่พอเขามาแล้วก็ไม่ต้องสอนอะไรเขาล้ศีลเขาก็รู้แล้วมีอะไรบ้างศีลห้าข้อก็รักษาไปรักษาได้ห้าก็เพิ่มเป็นแปดจากแปดจะเพิ่มเป็นสิบเป็นสองร้อยี่บเจ็ดสามน้อยกว่าก็เพิ่มได้ตามไม่ตามความพอใจ แล้วก็ต้องไปปฏิบัติม่อยู่คนเดียวมาอยู่ที่เยียบเยียมไม่มีอะไรคอยรบกวนใจไม่มีอะไรจะมาดึงสติให้หายไปมาพุโทธโธพุทโธกันมาดูลมหายใจดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายพอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่มีเรื่องของการปฏิบัติมันไม่มีมากมันมีแค่นี้แหละแค่ที่สตินี่แหละ ปฏิบัตินี่สมันยากสติตัวเดียวเนี่ยกว่าจะได้มันให้บางทีเป็นปีนะแต่บางคนฉลาดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานสูตรบางคนเจ็ดวันก็ได้บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีพอได้สติแล้วสมาธิมาปัญญามามรรคผลที่ผ่านมันก็ไหลาหตามมากันเป็น เป็นข บ, บวนเลยเหมือนกับรถยนต์เนี่ยหากุญแจให้ได้ถ้าหากุญแจไม่ได้มันก็ไม่มีวันที่จะขับมันไปไหนได้ใช่ไหมพอเจอกุญแจปั๊บโอ้ไปไหนอะไอยากจะไปไหนไปกันไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปไหนขับไปได้หดแต่ถ้ากุญแจหายเนี่ยต้องไปหากุญแจก่อนไม่งั้นก็ต้องไปตามช่างมา ทำกุญแจผีสะเออแต่สตินี้มันไม่มีสติผีอาช้างก็ทาให้ไม่ได้เราต้องทําเองเราต้องหาสติให้เจอค้นหาสติให้เจอถ้าได้สติแล้วจะเราจะได้กุญแจที่จะพาใจของเราไปสู่พันุ์นิพพานได้ไปสู่มรรคผลนิพพานนต้องมีสมีกุญแจสตาร์เครื่อง เหมือนรถต้องมีกุญแจเปิดประตูแล้วก็สตาร์ทเครื่องถึงจะขับมันไปไหนมาไหนได้เนี่ยสติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัตินี้อ่ต้องมีสติถ้าไม่มีสติแล้วอย่าไปหวังจะได้ธรรมอย่างอื่นสมาธิไม่มีทางปัญญาไม่มีทางวิมุติหลุดพ้นไม่มีทาง คนไม่มีสติคือใครคนกินเหล้าเมาเนี่ยจับไปนั่งสมาธิได้ไหมให้ไปเจริญปัญญาได้ไหมไปฟังเทศฟังธรรมได้ไมไม่มีสติไปขับรถก็ไปชนคนตายหรือไปคลีความทำให้ตัวเองตายเนี่ยสติเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นธรรมที่สำคัญกว่า ทำทั้งปวงถ้าเปรียบกับรอยเท้าของสัตว์ในป่านี้<ม>ก็ไม่มีรอยเท้าอันไหนจะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างใช่หไหมรอยเท้าช้างนี่มันครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดหมดเลยสิงโตอะไรก็ตามถ้ามันใหญ่เท่าไม่เท่าช้างทำต่างๆก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติทำต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ นั่งสมาธิไปจนวันตายก็ไม่มีถ้านั่งแล้วหลับนั่งแล้วฟุ้งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันแสดงว่าไม่มีสตินะถ้ามีสติมันต้องรู้อยู่ตลอดเวล่ะรู้อยู่กับลมรู้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวยถึงจะเรียกว่ามีสติอล้เดี๋ยวมันก็รวมให้องรวมเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิคันิกะสมาธิอันต้นกับคันิกะสมาธิก่อนสงบชั่วคราว การต่อไปก็อัปปนาสมาธิสงบได้นานพอสงบแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วใช่เห็นกิเลสเห็นธรรมเห็นกิเลสถ้าไม่มีธรรมก็เอาธรรมของพระเจ้ามาใช้ได้พอเกิดความโลภ ก, ก็เอาธรรมที่พระเจ้าสอนว่าโลภแล้วทุกข์นะอยากแล้วทุกข์นะไปเล่นกับพิษงูพิษนะกําลังไปเล่นกับไฟนะเดี๋ยวต้องโดนมันกัดนะ ถ้าคิดอย่างนี้แนละ้ว ม, มีปัญญามันก็ไม่เอาดีกว่าะความโลภ ก, ก็หายไปความโกรธก็ทุกข์นะเวลาโกรธนี่มันสุขแล้วมันทุกข์เวลาโกรธท้ายนีใจมันร้อนหรใจมันเย็นอใจเป็นไฟหรใจเปนตู้เย็นเวลาไม่โกรธนี่สบายยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาโกรธนี่หน้าเบึ้งตึงหน้าเป็นยักษ์เป็นมารไหม นี่คือปัญญามันมีกิเลสมันอยู่ในตัวเราเห็นชัดๆแต่มองไม่เห็นกันเพราะกิเลสมันไม่ยอมให้เรามองเข้ามาที่ใจเลยมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจมันมันดึงให้เราไปมองคนอื่นเวลาโกรเนี่ไปมองคนอื่นว่าผิดเราไม่ผิดเนี่ยมองว่าไอ้ตัวโกรธไม่ผิดแต่ตัวที่ทำให้เราโกรธนี่ผิด ก็เลยไปแก้คนที่ทำให้เราโกรธแก้เงินมันก็ไม่ขายโกรธมันก็ยังโกรธอยู่นั่นหรือหายก็หายเดียวๆเดี๋ยวคนอื่นทำอะไร ก, ก็โกรธขึ้นมาถ้ามาแก้ตรงนี้แก้ตัวที่ทำให้เราโกรธเวลามันโกรธอยู่ที่ใจอย่าไปอยุดที่ข้างนอกคนอื่นเขาจะมาแยาเรายัางไงถ้าใจเราไม่โกรธสัอย่างมันก็ไม่โกรธถ้าเรากำจัดตัวที่ทำให้เราโกรธก็คือตัว สอนสติตัวโลกเนี่ยตัวอยากเนี่ยอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เขอก็ไม่ทําอย่างนั้นทางนี้ก็โกรธเขาขึ้นมาถ้ามาแก้ตรงตัวความอยากนี้ก็อย่าไปอยากให้เขาทํำนู่นทํานี่สิต่อไปเขาทํำนู่นทํานี่เราก็ไม่โกรธเขาเขาจะทําไม่ทํำเราก็ไม่โกรธเขาตอนเขามาแย่เราอยังไงเราก็ไม่โกรธแก้ผิดที่ไปแก้ที่เขาไม่ได้มาแก้ที่เรา ถึงกลับมาบอกว่าชนะตนดีกับชนะผู้อื่นชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ทำให้ใจสงบใจก็ยังโกรธได้อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวพอแก้เป็นล้านคนเดี๋ยวค น, นคนที่ล้านที่หนึ่งก็ตามมาล้านสองล้านสามก็ตามมาแ้วก็ต้องไปแก้อยู่เ้วยคนในโลกนี้มีกี่พันล้านกี่ใช่ ไ, ไม ก็ต้องแก้มไปเรื่อยไปอยู่กับใครเดี๋ยวก็มีเรื่องกับเขานะ mm ้ว hmm. เพราะความอยากของเราเองอยากไปอยากไปโกรธเพราะไม่อยากก็ไม่โกรธเราก็จะสงบไปตลอดต่อให้มีคนกี่พันล้านมาแย่เราก็ไม่โกรธเพราะตัวที่ทำให้เราโกรธมันถูก ตัดไปแล้วถกทำลายไปแล้วคือความอยากต่างๆนี่คือทำปฏิบัติเนี่ยที่มาปฏิบัติกันก็ให้ปฏิบัติเรื่องราวเหล่านี้ให้เจริญสติเพื่อให้ใจสงบมีความสุขแล้วก็จะเห็นเห็นความโกรธโลดโกรหลงว่าเป็นทุกข์จะได้หยุดมันด้วยปัญญาปัญญาก็คือ ต้องมาแก้ที่ตัวโรคโกรธหลงอย่าไปแก้ที่คนนั่นคนนี้อย่าไปแก้ที่สิ่ง น, นั่นสิ่ง น, นี้พอมาแก้ที่ถูกจุดปัญหาก็จะถูกทำลายไปหมดแก้ที่ความอยากตัวเดียวอ๋อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วไม่รู้จะไปโกรธอะไรไม่รู้จะไปโกรธใครไม่รู้จะไปโลภอะไรไม่รู้จะไปหลงกับอะไรพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์หมด ของที่เราไปอยากนี่มันทุกข์ทั้งนั้นมันก็จบเมื่อไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ก็จบอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไระอันนี้เป็นเรื่องของทมปฏิบัติต้องเราเอาไปปฏิบัติอย่างพูดไปจนปากเปียกปากขีก็ถ้าไม่ไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร หมือนเอาขับข้าวมาให้ตั้งไว้อยู่ที่หน้าถ้าไม่ยอมกินก็ไม่มันก็ไม่ดูรสชาติของกับข้าวว่าอร่อยไหมกินแล้วอิ่มไหมกินได้พระพุทธเจ้าเอาอาหารอนุชะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี้มาให้กับพวกเราละเอาศีลมาให้เราเอาสติมาให้เราเอาสมาธิมาให้เราเอาปัญญามาให้เราเราทํำไมไม่กินมนะัน่ะเอาไปปฏิบัติดิเอาไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับเอาไปกินนะ พอปฏิบัติล้วเดี๋ยวมันก็ได้อาหารนี่เอามาให้กินนี่ใครใครกินไม่ได้มันกินกันได้ทุกคนเช่ไมยิงเขียนป้ายว่าเชลชนชิมโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยใช่ไมเวลาเข้าไปซื้อขนมร้านที่มีป้ายเชลชนชิมมาฝากเนี่ยเห็นแล้ว <laughs> <laughs> อย่างไรก็กลับไปเร็วๆจะได้ชิมเ <laughs> นี่ยของ ของุทธเจ้าก็ติดไว้เนี่ยรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงแปลลายแถวชวนชิมของพระพุทธเจ้ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงเอาไปกินเนี่ยลองชิมดูลองไปรักษาศีลดูลองไปนะฝึกสติดูไปนองไปนั่งสมาธิดูแล้วเดี๋ยวก็จะเล่าอ๋อโอ้อร่อยอย่างนี้เองรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงไปนไหน นะต้งลองเอาไปปฏิบัติกันนะวันนี้ตช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อนมันจะอนุทนาให้พรยะทะวาวรวะ า, าปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตทินังเปตนานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจ ต, ตุสัพเหปุเรนตุสังกา จันโทปะนาระโสยตามณิโตติระโสยตาสพิติยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสิลิตะนิจจังุทาปจายโน จตาโรโหธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางใครที่ยังไม่ได้หนังสือซีดีถ้าต้องการก็มาหยิบเอานะหนังสือโฆษณาเท่านั้ น, นโฆษณาธรรมะเชวชวนชิมเนี่ยวันนี้เข้ามากี่คนนะ วันนี้สามร้อยเจ็ิบสองค่ะตอนนี้เหลื อ, อนนสามรัอยี่บเก้าก้าเศากมเยอะแล้วนะวันังคารน้อยาวานนี้น้อยสองร้อยกว่าสามร้อยเจ็ดสิบายได้ดาวโหลดให้ซื้อใหม่หรือยังที่เพจที่โพสไว้ในมีคนมีคนเข้าถึงหมื่นสอง ดาวน์โหลดประมาณสักสนะี่พัน่ะเมื่อก่อนให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์กรรมฐ า, านมันล่มเยอยเพราะว่ามันมากมีเนื้อที่ไม่พอตอนนี้เลยไปให้โหลดจากมีเดียไฟล์ยังไงสบายดีแล้วให้เราดาวน์โหลดจากมือถือได้ก่ออได้ใช่ไหมได้นะจากมี d i ียไฟล์ก็เข้ามาได้นะ ลองลองดาวน์โหลดดูสิจะมีเข้าเข้าไปในเพจเคยเคยดาวน์โหลดเป็นไห ม, ไมเป็นนะลมเย็นสบายในช่วงนี้อากาศไม่ร้อนหลงตาว่าบนเขานี้เป็นที่พาวนงานดี หลวงตาท่านเคยมาพักมาค้างที่นี้มาคนเดียวท่านมาเงี่ ย, ยบไม่บอกใครมาตอนบ่ายๆเนี่ยประมาณสามโมงสีท่านบอกท่านจะมาภาวนาอัานั้นท่านเป็นโรคหัวใจแล้วอยู่อยู่ใกล้คนแล้วมันมารบกวนท่านบอกต้องมาหาที่เงียบๆมาพักบนศาลานเนี่ยตองตรงนี้ท่านบอกเอาปูเสือการมุ้งไว้ตรงนี้ นอ น, นบนศาลาหลวตาบอกองค์ขานี่สงบมากสงบดีไม่ได้หรอกมาง่ายเฉพาะช่วงที่มาฟังเทศเท่านั้นที่นี่เป็นที่อยู่ของพระเดี๋ยวจะมาจ่าเอกกันพระอโยมยันไม่ไดีแต่ถ้ามาช่วงนี้ามานั่งฟังเทศ ฟังทำนะครับก็พอที่จะนั่งฟังได้นั่งสมาธิไปได้ที่ปฏิบัติสำหรับผู้หญิงไม่มีมือ น, นี้เป็นที่ของผู้ชายของพระเราก็อยู่มาที่นี่แบบปีสามศูนสามสิบปีแล้วเมษานจำได้เป็นต้นเดือนเมษายนก็ขึ 3, ้นมาอยู่ตรงนี้ยดมีนานสามสิบปีสามูน สามสิบปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่ข้างล่างมาปลายปีสองเจ็ดทักอยู่ข้างล่างสองเจ็ดสองแปดเมื่อก่อนป่ามันจะเทือกกว่านี้นะอย่างนี้มันตัวงไปเพราะว่ากวางพอปล่อยควางให้มาอยู่ควางมันก็กัดกินต้นไม้ที่อยู่ที่ตามข้างล่างยตามตามโคนไม้เนี่ยมันกัดกินถ้าโ ล, งล่งโป่งหมดเห็นธรรมดาจะมองไม่เห็นนะ มันจะมีกิ่งไม้ก้านไม้อะไรต่างๆทีต้นเล็กๆต้นอะไรเนี่ตอนนี้กวางมันกัดกินมันหมดนี่มันเลยโรคเลยนะเมื่อก่อนมองไม่เห็นกันมองไม่ทะลุมองไม่ทึบเป็นป่าทึบตอนี้เขามีโครงการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของกวางแกะอะไรนี่มาเรี้ยง พอมันหากินเองได้ก็ปล่อยให้มันหากินเองบริเวณเนี่ยเป็นในเขตบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็หาหากินก็กินพวกต้นไม้ใบไม้อะไรต่างๆแต่ก็น่าริเริ่โตรงไม่หมดเลยมีต่กวางอ๋อสัตว์ที่เขาเลี้ยงที่เขามาขยายพันก็มีพวกเก้งกวางละมั่งพอยู่ในตระกูลกวางเนี่ย ส่วนสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าอยู่เดิ่ยก็พวกลิงพวกงูพวกตัวเงินตัวทองแล้วก็อีเห็นอีเห็นพวกอะไรทางในเขาเรียกอะไรชมาชาและชมดอชมด์เป็นครึ่งหมาครึ่งแมวเลยชมดหด้วยท่าทางว่า เสือปลาก็เคยเห็นไม่เสือปลาเด็กเล็กเขาเรียกเสือปลาตัวเรีกเหมนเหมือนแมวแมวเหมือนแมวป่ากลนงคืนคิดตป็นแมวเสือปลาก็จะเป็นแมวก็ได้รางที่ก็เป็นแมวก็ได้ก็ป่าไม้เขาเลี้ยงแมวหรืก็ไม่แน่ถือสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ชอบบข่าวเลย เวลาท่านมาปฏิบัติภารกิจที่วัญยานมาทำพิธีวางศีลาเลิกหรืออะไรตอนบ่า ย, า ย, ยๆเยนแท่านก็จะขึ้นมามีกุฏิสร้างถวายให้ท่านพากผ่อนท่านก็นจะภาวนาอยู่บนเขาทั้งคืนตอนเช้าท่านถึงค่อยลงไปแล้วมีพระสังฆราชองก่อนอะเอกสมเด็จพ ร, ระยานเนี่ย ท่านชอบการปฏิบัติมากท่านไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ทางซ้ายของปู่มัน่นทางอยู่พังพังพระอฤาษีไปกาไปสนทนาธรรมกับท่านหลายลูกไยปไปอยู่ที่วัดตาบ้านตากไปไปพักอยู่วัดป่าบ้านตากไปไปพักอยู่ที่ปูทอกวัดอาจารย์จว น, นชอบไปหาที่เงียบอยู่วัดบอมันอยู่ในการเมือง กรุงมันไม่มีความสงบนั้นอยู่ในป่าของเขาทำไมนั่นมีแต่ทางรู้นทางพระวิสาท่านก็เลยอาจจะมาสร้างวัดปฏิบัติทางทางใกล้กรุงเทพงแงก็พอดีมีคนศรัทธาถวายที่ให้สร้างวัดยานแต่วัดยานก็ไม่สมบวัดยานมันก็ยังเป็นไร่เป็นไร่มันก็ต้องมาปลูกต้นไม้ แต่พอดีมีเขาเชียวเนี่ยอยู่ติดกั น, นก็เลยมีภรป่าท่านมาบุกเบิกมาพัฒนาให้เป็นสิทธิ์พระหลวงปลูกเขาชื่อพระอาจารย์หวานนี่ท่านก็ชวนญาติโยมขนข้าวของขน ข, ของเก่าเนี่ยต ล, ลาดหลังนี้เป็นบ้านไม้ของคนเขาลือแล้วถวายไม้ให้กับวัดก็เลยขนไม้กันขึ้นมาไม้พื้นเนี่ยเป็นไม้ของบ้านส่วนเสาเนี่ก็เอาต้นไม้แถวเนี่ย ตัดต้นไม้ทําเป็นเสาไปเห็นไหมต้นมันตรงไปเนี่ยมันก็เหยียดไปงอมาพาป่าท่านทําอะไรแบบง่ายๆพอให้ใช้การได้ไม่หรูหราไม่ไม่เอาความสวยงามหรูหราปุ่มเวยไม่เอาเอาความเรียบง่ายเอาตามมีตามเกิดเอาตามธรรมะจัดสรร หนูอยากจะถามอะไรเหยอคือเวลาที่หนูพยายามที่จะเจริญภาวนาฟุตโพให้ถี่ขึ้นนะคะแต่บางครั้งก็มีเผลอแล้วก็ไม่ได้ภาวนาเวลาเราทำงานในชีวิตประจำวันแล้วพอมีสิ่งมากระทบแล้วเรารู้สึกไม่พอใจหรือโกรธหรือน้อยใจอะคะ่ะเราพอเราดึงฟุตโพมาได้แต่บางทียังรู้สึกว่า ความห น, หนักในใจหรือร้อหรือหรือหมอนหมอนเศร้าในใจมันยังอยู่บางทีก็อยู่เป็นเวลานานนะคะกีเลสนน่ยกีเลสมันไม่ยอมเราหนูจะต้องก็ต้องพุทธโทรไปเรื่อย ๆ, ๆมันหนักก็พุทธโทรไปจนกว่ามันจะเบาถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราหนักอกหนักใจเดี๋ยวมันก็เบาขึ้นมาเพราะเราไม่พุโทโธต่อเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้กลับไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราหนักอกหนักใจ เราต้องพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่ามันโล่งเบาหายไปเลย<ฆ>เหมือนกินยายังไม่หมดยังไม่ครบชุดยาปฏิชีวนะกินแค่วันสองวันพอไข้เบาก็หยุดกินเดี๋ยวพอสองสามวันมันโผล่กลับขึ้นมาใหม่ต้องกินให้มันครบชุดเลยกินกระทั่งมันหายไปเลยพุโทโธไปจนกรทั่ ง, งมันเบาสบายหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็ยิ่งดี ว่าความโกรธความน้อยใจของเราเกิดจากความอยากของเราเนี่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาทําอะไรตามความอยากเราแล้วเราจะไม่มีความน้อยใจไม่มีความเสียใจใช่อหมอก็เปลี่ยนใจเราสิตอปนี้เราอย่าไปอยากได้อะไรจากใครอย่าไปหวังอะไรจากใครมันเป็น่ายันที่ใจคิดเหมือนที่อาจารย์สอนนะค ะ, ะเหมือนจะใช้ปัญญาเปลี่ยนตัวเอง มันก็รู้สึกเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังเห็นความหมุนๆในใจอยู่เหมือนเหมือนมันไม่ได้สงบไปในทันทีอ่ะก็ยังไม่ยังไม่ได้หยุดได้อย่างเต็มที่ไงค่ะยังไม่ยังยังไม่เห็นคุณของการหยุดความอยากยังเห็นว่ายังทําให้เรามีความสุขอยู่ก็เลยยังอยากอยู่ค่ะมันยังอยากอยู่มันก็เลยยังเสียใจยังไม่สบายใจ มันคุมได้แัดกายกับวาจาไม่ให้แสดงอะไร<ช>ออกไปคนล็อกข้าศไม่รู้สึกแต่ว่าเห็นตัดใจตัวเองที่มันได้ก็อย่างน้อยก็ได้ถ้าสอบก็ได้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าบางคนคุมคุมกายคุมวาจาไม่ได้ร้องโวยวายด่าทออะไรต่างๆทุบตีข้าวของอะไรแสดงว่าไม่มีสติยับยั้งใจเลยอย่างน้อยเรามีสติพอจะให้อยู่เฉย ให้ถือหลักนี้ว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีอย่าไปทําอะไรอย่าไปพูดอะไรกับใครเพราะถ้าพูดหรือทําอะไรด้วยอารมณ์ไม่ดีมันจะมันจะเสียหายแต่มันยังไม่ตายเพราะว่ากําลังที่จะหยุดใจมันยังไม่พอสติหรืว่าปัญญานี่มันยังไม่พอยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็จะก็หายอยาก พอหายะมันก็จะเบามันก็จะสงบเมื่ถ้าไม่มีปัญญาก็เอาพุทโธก่อนเอาสติกอ่อนพุทโธพุทโธไปอยาให้มันไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเสียใจหรือโกรธแล้วเดี๋ยวก็จะเบาใจอย่างตอนนี้เบาไหมพอไมันจะไปคิดถึงเรื่องต่ตางๆคือเวลาถ้าเกิดเหมือนบางครั้งมานั่งสวดมนต์หรือเปิดฟังธรร ม, มาอะค่ะก็คือจะเบาใช่แต่พอ บ, บางทีไปเจอเหตุการณ์อะไร ในลักษณะเดินที่จะทบเราก็จะเริ่มเห็นใจเราหม่นขึ้นมาแล้วก็ก็ททเลยพูดโทเลยก็วสวดมนต์ไปเลยอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เราเห็น ท, ที่เราชอบไปเล่นกับมันไงพอเห็นแล้วแทนที่จะถอยกับเดินเข้าหามันเลยเห็นไฟแทนที่จะถอยออกกับเดินเข้าหาไฟเพราะคิดว่ามันเป็นคิดว่าเป็นของดีเพีาวเป็นไฟแบบไฟนีออน <c oughs> ที่ว่าเป็นไฟเทียมพอเข้าไปมันถึงจะรู่มันร้อนพอไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในใจแล้วใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีมันต้องอย่าให้มันเข้ามาใช้พุทโธปิดทางมันได้สติปิดทางมันพุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้แต่ที่ดีที่สุดก็พุทโธเพราะเราใช้ได้ทุกตลอดเวลาถ้าฟังเทศก็ต้องมีเทศฟังถ้าสวดมนต์ก็ต้องมีที่ หรือถ้าจะสวดไปภายในใจก็ได้เวลาใจไม่สบายกับอะไรก็สวดไปเลยสวดไปภายในใจแล้วเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใ<ร> จ, <ะ> ท, ย ท, จที่เราจาได้ที่เราจาได้ที่ทาให้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราพูนวายใจแต่มันหายชั่วคราวพอไปเจอเรื่องนั้นเองก็เป็นอีกถ้าอยากจะแก้ก็ต้องใช้ปัญญาว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปอยากปล่อยเขาไป เขาจะดีจะชั่วยเราอย่าเราอย่าไปหวังอย่าไปอยากได้เราอยากเขาแล้วมันก็ไม่มีไม่คนที่เราไม่ไปหวังอะไรเราทุกข์กับเขาเนี่ยเนี่ยสิก็ก็เอาแบบนั้นเนี่ยเอาแบบกับคนที่เราไม่ทุกข์ด้วยที่เราไม่ทุกข์กับเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาใช่ไหมออย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหวังให้เขาดีกับเราอย่าไปหวังให้เขาทํานู่นทํานี่ให้เรา ตามใจเราเลือพอไปหวังพอก็ไม่ทำแล้วก็เสียใจแล้ว อ, อย่าไปหวังให้เขาไม่โกรธเราไม่เกลียดเราบางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะโกรธอยากจะเกลียดเราก็เราก็ต้องทำใจไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีหรอกบางทีเขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาก็โกรธเราได้บางทีเราไปเหยียบหางเขาเขาเ ข, า, ข, า, ขาโกรธขึ้นมาได้เห็นไหม <c oughs> อย่าไปหวังให้เขาต้องรักเราไปชอบเราเพียงอย่างเดียว <không? S 1> อยู่ในโลกนี้นมันมีทั้งรักมีทั้งชังเราต้องเฉยเฉยพุทโธพุทโ ธ, ทธไปเลยใช้ปัญญาอย่าไปหวังให้เขารักเราไปหวังให้ไม่ให้เขาชังต้องหวังสลับ ก, กันหวังให้เขาชังเราแล้วหลังนหวังให้เขาไม่รักเราบ้างแล้วเราจะได้ไม่เสียใจถ้าเราไม่หวังให้เขารักเราเขาไม่รักเราเราก็ไม่เสียใจ ถ้าเราหวังไม่เขาโกรธเวลาเขาโกรธเราก็ดีใจเราได้ดังใจอยากอยากให้เขาโกรธเป็ยวิธีแก้ปัญญาอุบายของปัญญาไอ้วันนี้มันไม่โกรธกูสักทีว้โก้สักหน่อยนี่อย่ากสักหน่อ ย, อ ย, น, อ ย, อยนี่เหยียบหางมันนี่น <c oughs> ขัดใจเขาเลยลอนขัดใจเดี๋ยวก็เ ข, เเขาเกลียดเราก็ต้องดีใจเนาะว่าได้สมใจอ่ะ อยากให้เขาเกลียด น, นีไ่ไงก็หัดเป็นสินน <c oughs> มันเป็นได้เราหัดรักได้ทำไมหัดให้เขาหัดให้เขาเกลียดเราไม่ได้มันก็เหมือนกันอยู่ที่ใจเราเนี่ยนี่คืออบายของปัญญาหมด่นได้ยังนั่นยึดที่หนูขาก็คือสติขาดปัญญาพ<า>ยายามหาวิธีสร้างมันขึ้นมามาก่า เวลาอยู่คนเดียวก็ฝึกสติอย่าปล่อยให้มันคิดอะไรถึง แ, แม้ว่าใจจะไม่ร้อนใจจะไม่ทุกข์ก็อย่าปล่อยพอปล่อยแล้วเดี๋ยวเวลาทุกข์มันไม่มีกําลังหยุดมันคอยคุมมันไว้ต้องใช้พุโทโธเรื่อยๆใช้จนกว่าเราจะรู้ว่าเราสามารถใช้พุโทโธได้ทุกเวลาเวลาโกรธก็พุโทโธหยุดมันได้เวลาเสียใจยก็พุโทโธหยุดมันได้ล้วถึงเราถึงไม่ต้องใช้พุโทโธตลอดเวลา แต่ตอนต้นเนี่ยตอนที่เรากําลังฝึกสติเนี่ต้องใช้พุทโธอยู่เรื่อยๆเตือนขึ้นมาลืมตา ก, ก่อนจะลุกขึ้นก็พุทโธไปเลยก็ทำอยู่ค่ะตเช้ า, ชาที่ตื่นนอนก็จะแบบพุทโธขึ้นมา ก, ก่อนอตอนจะนอนก็พุดโธหลับไปค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะตอนก่อนนอนค่ะต่ตอนตื่นมันต้องทั้งวนัน <c oughs> ต่อเ น, นื่องกันไปยกเว้นเวลาที่ต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไป ลองทําดูสักวันเสร็จแล้วจะรู้สึกว่ามีสติมากมีกําลังมากอาาตอนที่พระอาจารย์ปฏิบัติเองที่บ้านนะค ะ, ะช่วงปีหนึ่งนั้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารก า, ารกินพระอาจารย์ปฏิบัติยังไงคะก็ไปกินข้างนอกไปร้างกว๋วยเตี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวชางข้าวผัดจ้างนึงก็อิ่มละ ก็คือปกติใช้ชีวิตเหมือนปกติเพียงแต่ว่าปฏิบัติดเดินก็ทําเองทุกอย่างผ้าก็มีชุดเดียวอไม่มีอะไรมากไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านก็มีผ้าชุดเดียวอาบน้ำก็ซักผ้าเองจาาเอ ง, เองทําเองทุกอย่างเหมือนตอนนี้เป็นผ้าก็ยังทําเองทุกอย่างอีวอนนี้ก็ซักเองลุงขาวเรื่ยเลย อาอไม่ตอนนั้นไม่ได้นุ่งขาวก็นั่งธรรมดาใส่กางเกงยียนใส่อะไรไปใส่เสือยืดไปไม่เคยเข้าวัดแล้วไม่รู้ว่าเขามีชุดปฏิบัติกันเราคิดว่ามันปฏิบัติที่ใจมันไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายเราก็เลยไม่ได้ไปสนใจที่ที่ร่างกายร่างกายเราตอนนั้นผมเผ่าก็ลกลงลงังคนดูก็คิดว่าเราเป็นเหมือนคนบ้าไม่ได้นุ่งขาวของขาวไม่ได้ ตัดผมโกนผมอะไรปล่อยผมมันยาวไปตามธรรมชาติเท่า น, นั้นไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องทางร่างกายเพราะในศีลม่นก็ไม่ได้มีบอกว่าต้องใส่ชุดขาวเนี่ยถึงศีลห้าศีลแปดเขามีเขียนไว้หรือเปล่าว่าต้องใส่ชุดขาวกนะันไม่มีอันนั้นเป็นเครื่องแบบที่เขาจัดขึ้นสําหรับคนที่ไปอยู่ปฏิบัติ เขาต้องการให้ดูว่าความเรียบร้อยสวยงามภายนอกแต่ความเรียบร้อยสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่ตัวศีลตัวที่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ใช่ชุดขาวแต่ข้างในยังไปขโมยข้าวของอยูใจยังคิดขโมยข้าวของยังคิดไปประพฤติผิดประเวณีอยู่มันขาวข้างนอกแต่มันดําข้างในง <anes> อันนี้ขอให้มันดำํำขอให้มันขาวข้างในแล้วดำข้างนอกถือศีลดังให้มันขาวข้างในดําข้างนอก ข้างนอกก็เสื้อสายความเหมาะสมถ้าเราอยู่ไปไปอยู่ที่เขามีชุดให้ใส่ก็ต้องใส่เนี่ยมาเป็นพระก็ให้ใส่ชุดนี้ก็ใส่ชุดนี้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ในปา่าจะใส่ชุดไหนก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้ชีปเปือยเขาก็สมัยก่อนเขก็มีชีปเปยยื่อยกันก็จะเปื่อยข้างนอกแต่ข้างในเขามีศีลมีเสื้อผ้าพรที่สวยงาม ความสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่อยู่ที่ศีลไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าผ อ, าอมบางคนสวยข้างนอกแต่ข้างในนี่โอ้โ ห, หน่ากลัวจะกัดจะกินเราเมื่อไหร่ไม่รู้กรจายนะอันนั้นมันมันไม่มันไม่ได้ไปเข้าไปในทางทางที่เขาทำเป็นมาตรฐานเราเข้าผ่านทางอาญญ่านหนังสือ หนังสือเขาก็ไม่ได้มีเขียนบอกเรื่องการแต่งชุดการอะไรอย่างนี้เอาเพลงแต่บอกเรื่องศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นยังไงเราก็เอาศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นตัวปฏิบัติไปก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเขาบอกให้อยู่คนเดียวอย่าไปคุก ค, คีกันไปหาที่สงบที่เงียบอยู่ให้ลดการกินอาหารลงอยากกินมาก ให้อให้มีสติคุ้มครองใจรักษาใจตลอดเลลวลาก็ทาตามที่เขาสอนกันนี้็บอกน้นหนังสือมันก็ได้ผลมันอยู่ที่การกระทำหนังสือถูกแล้วแต่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติไม่ถูกเองมันก็เลยไม่ได้ผลมันก็ไปติดกับไเรื่องที่เขาไม่ได้สอนไปติดกระใส่ชุดขาวชุดดำชุดเขียวชุดแดงอะไรกันอดานะไหม บางคนใส่ชุดขาวถ้าเป็นไฮโซต้องชุดขาวแบบไฮโซเองชุดขาวชุดขาวแบบธรรมดาใส่ไม่ได้เห็นไหมเป็นชุดขาวแบบไฮโซบบลล ไ, ไ, ไ ห, ไหมร อ, อ, องเท้าก็ต้องไฮโซรองเท้าขาววะขาแบบไฮโซเอง แต่ศีลข้างในไม่ไม่รู้มีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้โกหกผู้จาเละเทะตลอดเลยนะเอาเอาคำถามทางบ้านมัน้งคำถามจากในอินบอ็อกคำถามจากคุณพันทิพย์เป็นคนฟุ้งซ้านจิตไม่สงบเลยค่ะนั่งสมาธิก็ได้แป๊บเดียวมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าคะมีก็ไม่มีสติไงมันถึงฟุ้งก็ สร้งสติขึ้นมาสิพุโทโธไปเลยพุโทโธไปทั้งวันอย่าให้มันคิดถ้าพุโทโธมันก็คิดไม่ได้พอไม่มีพุโทโธมันก็ไปคิดฟุ้งซ่านได้พออยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดพุดโทโธแทนคิดเรื่องอื่นเข้าใจจะสงบคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อก่อนตอนไปปฏิบัติที่วัดป่าจะอาศัยนั่งสมาธิเดินจงกรมสลับฟังธรรม อ่านหนังสือท ร, รมะครอเวลาหมดไปแต่ละวันแต่พอไปปฏิบัต le ิเ le รื่อยๆบ่อยๆทุกช่วงเวลาหยุดยาวๆจะสามารถนั่งสมาธิและเดินจงกรมสลับไปได้ทั้งวันโดยไม่รอหมดวันเหมือนเมื่อก่อนจนถึงเวลานอนอย่างนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นหมคะและสามารถอยู่กับความสงบได้แต่ไม่เคยนั่งได้อัปปางเลยคะ่ะก ก, ก็ได้ว่ามีการพัฒนาการขึ้นา เมื่อก่อนนี้ยังต้องคอยดูนาฬิกาคอยรอให้เวลามันหมดเดีย๋ยวนี้มันกลับไม่ได้ดูแล้วมันกลับเพลิดเพลินกับกบารปฏิบัติมันก็มีความสุขแล้วมันกำลังพัฒนาไปเพียงแต่ว่าสติยังมีกำลังไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างน้อยก็ไม่ฟุ้งซ่านละไม่ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนีนนแ้แต่ยังไม่สามารถดึงให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ พ่อไปอยู่ไม่นานไงเราไปอยู่นานๆสิอยู่สักปีหนึงดูอรับรองได้ว่าต้องเข้าได้แน่ๆถ้าปฏิบัติทุกวัน ป, ปฏิบัติทั้งวันนะรับรองได้เข้าได้แน่ๆคาถามจากคุณเอกเวลาเดินกับนั่งสมาธิชอบเปิดย youtube ฟูบาร์การฟังได้ไหมครับหรือนั่งสงบเงียบๆจะดีกว่าก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร ถ้าเราต้องการสมาธิเราก็นั่งสงบเงียบเงียบไปการที่เราใช้ยู u ูบหรืออะไรนี้ก็ช่วยได้ถ้าใจเราฟุ้งมากแล้วเราไม่สามารถนั่งดูลมหรือพุโทโธไปได้เราก็า จ, จะใช้การทำธรรมเป็นการกล่อมใจให้สงบให้ให้ให้หายฟุ้งซ่านก่อนแล้วพอใจหายฟุ้งซ่านแล้วเราก็ปิด YouTube ปิดเทศแล้วเราก็นั่งต่อไปดูลมไปพุโทโธไป ใจก็จะสงบได้แต่ทางที่ดีถ้าไม่ต้องใช้ของภายนอกได้ดีกว่าเพราะของภายนอกมันไม่เที่ยงเดี๋ยวสัญญาณหายไปบ้างเดี๋ยวทานหมดบ้างแบตหมดบ้างทำไมพระพุทธเจ้าถ้าไม่มี You Tube ไม่มีอะไรจันต้องใช้ของที่มีอยู่ในตัวใช้สติใช้ปัญญาที่มีอยู่ในตัวดีกว่าให้พึ่งตนเองอย่าไปพึ่งผู้อื่น อัตตาหิอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของตนการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วต้องพึ่งตนเองแต่ก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ถ้าเราพึ่งครูบาอาจารย์ก็เป็นพึ่งเป็นเวลาเช่นตอนนี้มาฟังธรรมเสร็จแล้วพอเราไปปฏิบัติเราก็พึ่งตัวเราแล้วตอนนั้นจนกว่าจะกลับมาฟังธรรมใหม่สมัยนี้เราก็มี youtube ในมือถือ เป็นตัวแทนอาจารย์ได้ก็ใช้ได้แต่ให้มันรู้จักใช้ให้ถูกเวลาอย่าใช้มันตลอดเวลาเกาะติดอยู่กับ youtube กับมือถืออย่างนี้มันเดี๋ยวเกิดแบตหมดอะไรหมดมันก็พึ่งไม่ได้แล้วพึ่งเป็นระยะระยะพึ่งเป็นเหมือนเป็นแผนที่ครูบาอาจารย์นี่เป็นเหมือนแผนที่ youtube นี่เป็นเหมือนแผนที่เวลาปฏิบัติไปสักพักจะหลงทางก็เปิดดูดูแผนที่ว่าเอเราไปถูกทางหรือเปล่า พอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอก อ, อ๋อผิดทางแล้วไปยุ่งกับคนนั้นละไปไปทํานูน่นทํานี่แล้วกลับมามาเดินจงกรมมาสมาตานั่งสมาธิมาพุทโธต่อมันชอบออกนอกลูนอ ก, นอ ก, นอกทางเลยใจเราเนี่ยทั้งทั้งี้ได้ยินได้ฟังว่าให้เจริญส ต, ติอยู่ตลอดทั้งวันเดี๋ยวมันก็ไปละลืมละเดี๋ยวก็ไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้นก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรม อยู่ได้เรื่อยจะได้มีอะไรคอยดึงใจให้กับเข้าสู่ เ, เข้าสู่ทางของการไปสู่การหลุดพ้นนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีเพียงแต่ต้องรู้จักใช้ให้มันเหมาะกับกาลเทศะแล้วอย่าไปพึ่งมันจนกระทั่งถ้าขาดมันขึ้นมาแล้วจะปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกนะ เราต้องปฏิบัติได้ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาในตัวเราอย่าไปอาศัย Youtube อย่าไปอาศัยมือถือมาทำให้เรามีสติมีสมาธิคำถามจากคุณนิสาคุณแม่อายุเก้าสิบสองแล้วค่ะปกติชอบทำบุญใส่บาตรประจำตอนนี้ป่วยอยู่โรงพยาบาลลูกไปทำบุญแทนให้โดยบอกให้แม่อนุโมทนากรและบอกและบอกแม่ว่าเงินลูกก็เหมือนเงินแม่ พอแม่ให้ชีวิตแก่ลูกลูกอยู่ต่างจังหวัดค่ะอย่างนี้แม่จะได้บุญไหนคะแม่ก็ได้บุญถ้าอนโมธนายังไงก็ยังเป็นเงินของลูกอยู่นะลูกจะพูดยังไงมันก็ไม่ไปเปลี่ยนความจริงนั้นต้องเป็นเงินของแม่แล้วต้องเป็นครัำความคิดความดําำริของแม่สั่งลูกว่าลูกช่วยใส่บาตรให้แม่หน่อยนะเอาเงินของแม่ที่เก็บไว้นี่ไปใส่ให้อย่างนั้นถึงจะเป็นบุญของแม่ แต่ถ้าลูกมาบอกแล้วทําแม่ก็ดีใจแม่ก็มีความสุขเห็นลูกได้ทําบุญบางทีแม่นี่รักลูกมากกว่ารักตัวเองตัวเองไม่ได้ทําบุญไม่เป็นไรละขอให้ลูกได้ทําบุญเอ้อห่วงลูกมากกว่าเห็นหนูทํานี้ก็ดีแล้วล่ะนสําหรับแม่ไม่ต้องไปกังวนลวเขาเก้าสิบสองเขาทําบุญมันมาเยอะมามากแล้วหนูอ่ะยังไม่ได้ทํารีบทำเสะกลัวจะทําตอนที่แม่จะตายนี่เท่านั้นเอง พอแม่ตายก็เลิกทํเลยอ ย, อย่าเลิกทําไปจนสะ้างทําไม่ได้เหมือนแม่คำถามจากคุณพมิมิตรหลานชายบวชพระมามากหลายครั้งแล้วและปฏิบัติดีทุกครั้งคุณย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบบ่เบาแม่ทิ้งไว้ให้ย่าเลี้ยงจนถึงปัจจุบัน ถามว่าเมื่อบวชแม่หรือย่าที่เลี้ยงท่านใดได้บุญมากกว่ากันก็ได้ตามที่ได้ทำไว้คนไหนคือบุญที่ได้จากการบวชของพระนี่ไม่ไม่มีใครได้หรอกมีแต่พระเขาได้เข้าใจไหมเราได้บุญจากการที่เลี้ยงดูเ้าตอนที่เขาเป็นเด็กเราได้แต่บุญที่เขาไปบวชนี่เราไม่ได้เลยถ้าอยากจะได้บุญจากที่เขาไปบวชก็ต้องไปบวชกับเขา ไปไปอยู่วัดไปตามเขาเนี่ยเกาเรียกว่าไปเกาะชายท่าเหลืองเนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีเวลามาวัดก็ต้องดแูแลทำบ้านแต่พอลูกบวชปั๊บนี่มาวัดทุกวันเลยพอพอพอลูกบวชก็ต้องมาวัดเพื่อจะได้มาใส่บาตรลูกมามาทําบุญมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศี่งเนี่ยก็จะได้บุญตั้งองนั้น ที่ได้บุญก็ได้บุญเพราะว่าเหตุพาอลูกมาบวชแต่ถ้าลูกบวชแล้วก็ช่างหวัวมันบวชแล้วก็ตาดทางปล่อยวัดนี้ก็ไม่เข้าวัดเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้บุญเหมือนเดิมดงนั้นบุญจะได้ก็ต้องทาเองเพียงแต่ว่าเอาเหตุของการบวชของลูกมาเป็นตัวจุดชนวนให้เราได้มีโอกาสมาทำบุญกันเ <c oughs> พราะแม่บางคนนี่ตามลูกมาแต่วเวลาลูกศสก็ไปพ่อแม่ก็ไม่ตามลูกนะเพราะมันยังกลับมาต่อ เอาเข้ามาแล้วเขากลับติดใจลูกศึกไปแล้วเขาก็ยังมาอยู่เป็นประจํำมีครอบครัวอยู่คนสามีภรรยาเป็นข้าราชก า, ารลูกก็มาบวชเขาเมื่อก่อนก็ไม่เคยมาวัดนี่เลยพอลูกมาบวชเขาก็มาลุกวันที่ลูกมาบวชเขาก็มาพอลูกศึกเขาก็มาต่อมาอาทิตย์ละครั้งมาวันเสาร์อาทิตย์<ม>เดี๋ยวนี้กเกษียณแล้วมาหลายวันละสามสี่วันต่ออาทิตย์ พราะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการมาวัด น, นี้ได้อะไรบ้างแค่ต้องทําอะไรบ้างเขาก็เลยทํานี่ก็คือประโยชน์ได้รับจากการที่มีลูกมาบวชจะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ริมรถแห่งธรรมแล้วก็จะร้องว่าอ๋อรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี้ก็อยากจะเอาแต่ธรรมแล้วสิรู้แล้วว่าเงินทองเข้าของมีเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ในยาม ในยามยากในยามแก่แต่ธรรมะนี่กลับช่วยได้ทำให้ใจสงบมีความสุขก็เสียแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องมีใครมายกย่องสรรเสริญไม่ต้องมีอำนาจวาสนาก็มีความสุขได้เขาก็เลยเห็นคุณค่าของธรรมทีนี้ก็เราอยากจะปฏิบัติให้มันหลุดพ้นแล้วสิเขาถึงมาบ่อยขึ้น คำถามจากคุณมาลิลูกสาวเป็นลูกที่มีความกระตันยุกระตะเวทีมากควรทําอย่างไรเพื่อไม่ให้รักเขามากเกินไปจะได้ไม่ทุกข์เมื่อเวลาที่ต้องพัดพลาดจากกรรมอ๋อลักได้แต่อย่าไปผูกพันกันความเมตตานี้เต็มที่เลยรักเขาได้เต็มที่เลยแต่ต้องปล่อยเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าต้องมีการพัดพลาดจากกานันในอนาคต ไม่อย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเกลียดกันถึงเวลาจากกันจะได้ไม่ทุกข์รักกันแล้วจากกันก็ไม่ทุกข์ได้เงแต่เราต้องทาใจเตรียมตัวเตรียมใจเตือนใจสอนใจว่าจะต้องมีการจากกันคำถามจากคุณกมัยทอนถามเรื่องความอยากเมื่อถ้าเราเกิดความอยากในสิ่งต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ไปกับมัน แต่ก็มีความ ร, รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหรือได้สิ่งนั้นก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนมากยมจะเป็นแบบนี้จะไม่จะไม่อยากกับจะไม่ให้อยากก็ไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแต่ก็รู้ว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะจะแก้ไขความอยากก็ต้องไม่อยาก นี่มันยังไม่เข็ดมัมันยังไม่ทุกมันยังไม่เห็นทุกทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดอย่างนี้ก็อยากไปก่อนอยากไปแล้วเดี๋ยวให้มันให้มันทุกซะก่อนแล้วถึงจะร้องอ๋อว่าอ๋อเนี่ยทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงตอนนี้มันยังได้อะไรดังใจอยากอยู่ก็อะไรยังไม่กลัวไงยังเหมือนกับว่ายังไม่เคยถูกหมากัดไม่ค่อยกลัวหมาหรอก ต้องถูมันกัดสักคนเดียวเลยเราไปเจอหมาตัวไหนนี่มันชักจะระแวงนะชะนั้นต้องเจ็บก่อนคงถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ใช้วิธีแผ่เมตตาของคราอาจารย์ไปใช้ได้สองรายแล้วคะ่ะจากคนที่เจอหน้าแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยแต่พอยิ้มให้เขาเรื่อยๆจากใจจริงหรือให้โอกาสเขาได้โอกาสก่อน กลายเป็นเรามีความสุขและได้มิตรภาพเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกสองลายแต่วิธีนี้จะใช้ได้ผลแต่คนแล้วแต่คนด้วยค่ะส่วนคนที่ทำอย่างนี้แล้วเขายังไม่ชอบเราเราก็ทำไปเรื่อยๆหรือวางอุเบกขาไปเลยค่ะเกิดทั้งสองอย่างอย่างใดก็ได้ถ้ายัางอยากจะแผ่ไม่ตายเขาก็แผ่ไปแต่อย่าไปหวังอะไรจากเขา ก่อนเห็นมันจะแข็งขนาดไหนถ้าโดนน้ำหยุดบ่อยๆมันก็แตกได้ใจคนเราจะแข็งขนาดไหนให้ขนมกินทุกวันเดียวเดียวมันก็หายโกรธได้คำ ถ, ถามจากคุณเล็กข้อที่นนนหนึ่งวันวันหนึ่งควรนั่งสมาธิอีกครั้งและกี่นาที อ, อ๋อนั่งทั้งวันเลย ข้อที่สองตอนอยู่ในสมาธิสามารถที่จะแผเ่เมตตาได้ไหมหรือควรที่จะรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วจึงค่อยแผเ่เมตตา อ, อ๋ออยู่ในสมาธิแผ่ไม่ได้แล้วออกมาก็แผ่ไม่ได้ต้องแผ่ตอนที่เจอคนตอนที่ไม่เจอคนจะไปแผ่ให้ใครต้องเจอคนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คำถามที่ก็บอกพอเจอคนที่เราเคยบึ่งตึงด้วยเราก็ยิ้มให้เขาทักทายเขามีขนมอะไรมาแบ่งให้เขากินก็แบ่งกันไป นี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งออกมาจากสมาธิกสเพสัตตาเวราโหตุอันนั้นมันเป็นการสวดเป็นการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตายังไม่ได้แผ่เวลาแผ่ต้องมีคนรับเหมือนจะชกกันนี่มันไปชกคนเดียวมันไปชกลมใช่ไหมเวลาจะชกกันมันต้องขึ้นเวทีไปเจอคู่ต่อสู้มันจะชกกันได้ถึงจะรู้ว่าแพ้รู้ชนะกันได้ การแผ่เมตตาแผ่แบบไม่มีใครรับมันก็ไม่รู้ว่าแผ่ไปได้ยังไงหรือเปล่าแผ่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแผ่ด้วยอะไรก็ไม่รู้แผ่ด้วยความคิดเหร อ, อมันต้องแผ่ด้วยการกระทำํำสิเจอกันก็มีขนมก็แบ่งกันมีเงนินมีทองเอามาแจกกันบ้างก็ได้อันนี้เราแผ่เมตตาเนี่ยฝลัง่งเขาเวลาคริสต์มาสเศรษฐีบางคนก็จะไปเดินไปตามช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าเห็นคนจนซื้อข้าวซื้อของก็ เ, เอาเงินให้พันเหรียญให้พันเหรียญเป็นสันดะคอสไปอย่างนี้แผ่เมตตาไม่จะนั่งสวดแผ่เมตตาแล้วเก็บเงินพันเหรียญไว้ในกระเป๋า <S <S อ่คำถามจากคุณยอดชายการที่เราประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการเลี้ยงตัวเองถือว่าเป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นหรือไม่ครับ แล้วจะเป็นบาปใหม่ครับก็สัตว์ที่เราเลี้ยงมันต้องไปถูกเขาฆ่ามันก็เบียดเบียนเขาแล้วแหละเราเอาความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นถ้าเราคิดเราเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงมั่เราจะยอมให้เขาเลี้ยงมันเลี้ยงแล้วเอาไปฆ่าไหม เ, <S <S <S เราก็คิดแบบเดรัจฉานไงเดรัจฉานมันก็คิดแบบเนี้เดรัจฉานมันก็ต้องอยู่ด้วยการฆ่าด้วยการกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยก่อมันถ้าเราคิดว่าการอยู่ของเราต้องอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่น เ่เราจะได้อยู่รอด น, นี้ก็เป็นเดรัจฉานไปองถามจากคุณจาั ก, การินเท่าที่ฝึกปฏิบัติมารู้สึกว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีกำลังน้อยลงครับมีความสุขกับความสงบมากขึ้นไม่ค่อยมีความอยากได้อะไรแถมอยากจะสละสละออกไปมากกว่าที่จะสร้างหรือมีอะไรครับแบบว่าพอพิจารณาดูไปสัก รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อกับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆครับนี่คือความเป็นไปตามปกติของผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับนี่ก็คือบ้านอนุญาตแล้วได้บวชที่สวนโมกมีนานีมีนาคมนี้ครับสาธุขอให้บวชนะ <c oughs> ไปอย่าสึกนะบวชไปปฏิบัติไปเดี๋ยวมรรคผลที่พ่านมาเอง คำถามจากคุณโจมีคนที่เขาไม่ชอบเรากั่นแกล้งเราเราวางเฉยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแต่ยังไม่สามารถข้ามความรู้สึกที่จะยิ้มให้หรือทําดีด้วยได้ครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเฉยเฉยไม่ไปทําร้ายเขาไม่ไปด่าเขาเราวางใจเป็นอุเบกขาก็ใช้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเขาไม่ชอบเราให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีแล้วก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมเลยคําถามจากคุณมาลิเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่ารักลูกได้แต่อยากผูกพันกลาบขอความการุณาแนะนําว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ผูกพันกับลูกที่เรารักมากเกินไปก็อมองว่ามันไม่ใช่ลูกเราไงเหมือนกับเป็นลูกของคนอื่นก็มาฝากให้เราเลี้ยงตอน เราก็เลี้ยงมันไปเมตตามันไปดูแลมันไปเดี๋ยวทั้งวันหนึ่งแม่เขาก็จะมาเอาคืนไปให้คิดอย่างนี้คิดว่าลูกเราของเราต่อไปครับแม่เขาก็ลงมาเอาคืนไปแม่เขาก็คือดินน้ำนมไสเดี๋ยวเขาจะาจับปลาเหลือก็จะส่งจับปลาเหลือมารับลูกเข้าไป่คำถังจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หนูปฏิบัติธรรมจริงๆและมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องการปฏิบัติธรรมเห็นว่ามีความสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆอย่างใดก็ดีพ่อของหนูเห็นว่าหากหนูไม่มีลูกจะเหมือนไม่ได้ตอบแทนบุญคุณและไม่มีสำนึกตอ่อครอบครัวและวงศ์ตระกูลค่ะเราควรจะสามารถทำหน้าที่ทั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้ไหนคะหรือควรจะตั้งจิตเช่นไรต่อไปคะความคิดเห็นของพ่อแม่นะคิดผิดแล้วอย่าไปอย่าไปหลงท า, างความคิดผิดของเขา การมีลูกมันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกการไม่มีเนี่ยดีแล้วก็ใจไหมแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นวิธีที่เราจะทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ได้ดีที่สุดเพราะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราหลุดพ้นแล้วเราสามารถทําให้พ่อแม่หลุดพ้นได้ด้วยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชนี่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้หลุดพ้นเราจะไม่สามารถสอนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหลุดพ้นได้ ดังนั้นอย่าไปคิดตามที่เขาคิดเพราะเขาคิดตามอาวิชชาคิดตามความโง่เขลาเบาปัญญาเขาคิดผิดเขาคิดตามกิเลสว่าจะต้องมีลูกมีเต้าจะได้ทุกข์กันทุกคนแต่ก็มองไม่เห็นทุกข์จากการมีลูกเขาตอบคิดว่ามีความสุขมีคนมามารับมรดกตกทอดอะไรไปแต่ความจริงมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วมันทุกข์ทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน ต้องปากกัดปีนถีบหาหาหากินหาอยู่กันการไม่เกิดนี่แหละเป็นการที่ไม่ทุกที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่มาเกิดหมดแล้วเลยก็พอสมควรอ่า อ, อยากจะถามว่าคนเรามีสติเนี่ยจะไม่ทําผิดสินใช่ไหมคะอ่าก็รู้เนี่ยว่ามันบันบาบจะไม่ทําผิดสินทำไม ใช่ไหมถ้ารู้ว่ากำลังจะไปขโมยถ้ามีสติมันก็ไม่ขโมยมันก็หยุดขโมยแต่ถ้ามันมีสติแต่มันไม่รู้ว่าบาปมันก็ยังขโมยได้มันต้องมีปัญญาด้วยต้องรู้ว่าทําบาปแล้วมันเป็นโทษทําให้ใจทุกข์ทําบาปแล้วจะทําต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปใช้นี่ใช้กรรมต่อไปในอนาคตเองมันถึงจะไม่กล้าทําาถ้มำสติอย่างเดียวไม่พอมีสติ โจรมันไปป้นธนาคารมันก็มีสติมันก็ผิดสิ่งที่มอ่าก็มันบอกมีสติอย่างเดียวมีสติอย่างเดียวแล้วมัยังทําผิดสี่ได้มันไม่รู้ผิดรู้ถูกเนี่ยต้องมีปัญญาด้วยต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกด้วยเวลาโจรมันป้นธนาคารมันไม่มีสติเะมันต้องวางแผนอจะตายไปคิดอย่างรอบคอบจะป้นเวลาไหนจะเข้าไปช่องไหนเนยมันมีสติแต่มันไม่มีปัญญามันไม่รู้ว่ามันเป็น เป็นโทษมันไม่ได้เป็นคุณเราต้องมีทั้งสองอย่างมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยตอนนี้เราไม่มีปัญญาแต่เราใสายปัญญาของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าทำบาปแล้วไม่ดีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี้ไม่ดีแต่เรายังไม่เห็นจริงๆอ่ะบางทียังอยากจะลองอยู่เหมือนกันใช่ไหมบางทีก็ไม่เชื่อถ้าอยากอะไรมากๆก็ก็ไม่เชื่ออยู่ดี แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาแบบพระโสดาบันเห็นนี้จะไม่ทําบาปโดยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะปัญญาพระโสดาบันนี้เห็นไทยเห็นตัวเองจะต้องไปรับโทษในอาบายจะต้องไปไปติดคุกไปเป็นไปตกนรกหรือไปเป็นเปรตหรือไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยพอรู้ว่าทำบาปต้องเป็นนี้ก็ไม่ไปดีไม่ทําดีกว่าต้องเป็นพระโสดาบันะถึงจะต้องถึงจะสามารถที่จะไม่ทําบาปได้อย่างแท้จริง ถ้ายังเป็นตูโจชนอย่างนี้อยู่บางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำนี่มันเราต้องการมันมากน้อยเพียงไรถ้าต้องการมันมากก็ก็ไม่สนใจแล้ว <c oughs> ถ้าชอบใครมากๆถึงแม้จะเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของใครก็ถ้าจะเอาสักอย่างตอนนั้นลืมเรื่องบาปไปแล้ว <c oughs> เอานะโอเค